เจดีที่พูลังกานาเจดีสีบุญเนาสัมผัสสยองสวัสดีครับผมชื่อตรีวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ว เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานี่เองวันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องสาวเพื่อนผมเธอชื่อน้องน้ำฝนเพื่อนผมก็เลยมาชวนผมกับแฟนไปเที่ยวด้วยกันไปแบบครอบครัวแต่ด้วยเหตุที่ลูกผมพึงจะลืมตาดูโลกได้แค่สี่เดือนแฟนผมจึงไม่ได้ไปด้วยบ้านผมจึงไปแค่ผมกับพี่ชายอีกสองคน ลาแฟนของพี่ชายทั้งสองรวมแล้วบ้านผมก็มีกันห้าคนคือผมพี่โฮพี่เอกจอยแฟนของพี่โทและไก่แฟนของพี่เอกส่วนทางบ้านเพื่อนผมก็จะมีไอแม็กเจนแฟนของไอแม็กและน้ำฝนน้องสาวของมันซึ่งเป็นเจ้าของวันเกิดต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเราสายเที่ยวตัวจริงในภาคีสาน ไม่มีจังหวัดไหนเลยที่เราไม่เคยไปแต่ก็ไม่ได้เที่ยวทุกที่ขนาดนั้นด้วยที่พวกเราเกิดอยู่จังหวัดนครพนมอยู่แล้วน้ำฝนผู้เป็นเจ้าของวันเกิดจึงเสนอให้เราไปปีนเขาในจังหวัดกันมีเทือกเขาอยู่ในตัวอำเภอบ้านแพงที่ได้ยินมาว่าบนยอดเขามีเจดีย์สีบุญนาวตั้งอยู่เป็นเจดีย์สีทองสวยงามมาก เราจึงตกลงกันและเก็บข้าวของที่จาเป็นเตรียมตัวเดินทางในวันรุ่งขึ้นผมมีลุงเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุทยานแห่งชาติภูลังกาจึงทำให้เรื่องการเข้าไปปีนเขาไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะผมได้โทรประสานงานกับลุงเป็นที่เรียบร้อยพอถึงวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ได้ไปถึงจุดที่ปีนเขาบอกเลยนะครับ ใครว่าปีนเขาที่ภูกระดึงเหนื่อยและปีนยากลองมาปีนที่ภูลังกาดูมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่ภูกระดึงมีลูกหาบที่เราสามารถจ้างลูกหาบให้หาบสัมภาระของเราขึ้นไปได้โดยเราก็เดินตัวเปล่าๆขึ้นไปแต่ที่ภูลังกาไม่มีที่ภูกระดึงมีจุดพักเหนื่อยอยู่ห้าจุดซึ่งแต่ละจุด จะห่างกันประมาณ 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรแต่ละจุดจะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายทั้งขายเครื่องดื่มขายของที่ระลึกและมีเสื้อผ้าเยอะแยะส่วนที่ภูหลังกาไม่มีสักอย่างทั้งจุดพักหรือร้านค้าที่อยู่ข้างบนแน่นอนว่าที่ภูกระดึงมีระยะทางไกลกว่าเพราะจะมีระยะทาง5กิโลเมตร จากตีนเขาซึ่งที่ภูหลังกาที่เราจะปีนมีระยะทางแค่สมกิโลเมตรแต่ที่โหดกว่าคือมันไม่มีบันไดเหมือนที่อื่นมีแค่ทางเดินเท้าเท่านั้นพวกเราเริ่มเดิน่างตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่นำทางและบรรยายเรื่องป่าไปด้วยสี่คนก่อนหน้านั้นพวกเราได้แจ้งเวลา ว, ว่าจะค้างคืนบนยอดเขาคืนหนึ่ง ผมสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่มีสัมภาระติดตัวมาด้วยเลยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากด้วยความที่เราเป็นผู้ชายแล้วก็มีกันถึงสี่คนคือเอกโธ่รีแม็กส่วนผู้หญิงก็มีสคนเช่นกันคือจอยไก่เจนน้ำฝนเราปล่อยให้พวกผู้หญิงค่อยๆเดินไปกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิง ส่วนเราที่เป็นผู้ชายมีความคิดว่าเราต้องแข่งกันใครไปถึงยอดก่อนเป็นผู้ชนะส่วนสามคนที่แพ้ต้องออกเงินกันซื้อเบียร์เลี้ยงคนที่ชนะพอตกลงกันแล้วต่างคนก็ต่างวิ่งเพราะวิ่งไปได้ไม่นานก็เริ่มมีอาการเหนื่อยล้ากันทุกคนเพราะพวกมันเอาแฟนมาด้วยข้าวของที่พวกมันแบก จึงมีเยอะกว่าผมที่มาคนเดียวเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรมามีเพียงแค่เต็นท์ถุงนอนผ้าหม่มเตาแก๊สปิกนิกแล้วก็เนื้อแช่แข็งในกล่องโฟมเล็กๆที่ผมเตรียมไว้ส่วนของพวกมันสามคนไม่ต้องพูดถึงมากกว่าผมถึงสองเท่าเลยละ่ะใครที่เคยได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ของผมมาก่อนหน้านั้นจะรู้ว่า ผมเป็นคนที่เห็นสิ่งลีลาบที่คนอื่นมองไม่เห็นและก็เห็นจนชินแล้วด้วยในตอนนั้นผมก็เห็นแม่ชีกำลังเดินจงกรมอยู่ท่านอยู่บนภูเขาแบบนี้คงมาปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจเพื่อนๆกับผมก็แวะไปกราบนามัสการจากนั้นก็เดินทางต่อพอเดินไปอีกสักพักผมก็เห็นพระเดินจงกรมอยู่เช่นกัน ผมจึงเข้าไปเพื่อจะกราบนมัสการแต่แปลกที่เพื่อนผมไม่ตามมานมัสการด้วยเมื่อพระท่านนั้นเห็นผมเข้ามาก็ได้ถามผมว่ายอมมองเห็นอาตมาด้วยหรอผมจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อนี่เป็นผีนี่เองมีหน้าละ่ะเพื่อนๆนผมถึงมองไม่เห็นผมจึงตอบพระท่านนั้นไปว่า ผมก็มองเห็นแบบนี้ตลอดแหละครับงั้นผมขอลาเลยแล้วกันนะครับพระทันพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าข้างบนนะ่ะมีมากมายกว่านี้เยอะแต่คงจะไม่เป็นไรหรอกนะถ้ามีโยมอยู่แล้วทันก็หายไปต่อหน้าต่อตาพอเดินไปอีกสักพักผมก็เห็นวิญญาณของผีป่ามากมาย แล้วก็เจอต้นตะเคียนคู่อยู่คู่หนึ่งผมมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณยืนอยู่ใกล้ๆกับต้นตะเคียนต้นนั้นเมื่อมองจากลักษณะการแต่งกายแล้วเธอคงจะเป็นนางตะเคียนนั่นแหละแต่ผมก็ทำเป็นไม่สนใจเดินผ่านไปตามปกติส่วนพวกเพื่อนๆผมนเนอะหรอก็คงมองไม่เห็นหรอกครับไม่งั้นพวกมันคงจะมีท่าทีแปลกๆแล้ว พวกเราเดินกันมาเรื่อยๆจนมาถึงยอดเขาส่วนคนที่มาถึงก่อนก็คือผมเพราะผมได้เปรียบตั้งแต่ของที่ถือขึ้นมาแล้วพวกเรานั่งพักรออยู่ภักหนึ่งพวกผู้หญิงก็ขึ้นมาถึงกันหลังจากพักเหนื่อยกันได้พอประมาณเราก็มองหาทีที่เราจะกางเต็นเจ้าหน้าที่จึงชี้ไปยังลานหินกวาง ซึ่งเป็นลานหินที่กว้างมากจริงๆเราพากันไปกางเต็นท์ที่นั่นพอกางเสร็จก็ออกไปถ่ายรูปกันไปกราบไหว้เจดีและถ่ายรูปกันในที่ต่างๆจนเวลาใกลค้ค่ำเจนแฟนในแม็กอยู่ๆมันก็กรีดร้องลันลาววิงเข้ามาหาคนในกลุ่มพูดปากสัน่นว่าโดนผีหลอกผีหลอก พอผมหันมองไปยังทิศทางที่เธอวิ่งมานั้นก็เห็นจริงๆครับวิญญาณตนนั้นเขาน่าจะเป็นชาวบ้านที่มาเก็บของป่าแล้วอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ทาให้เขาตายกัได้เพราะเขาไม่มีหัวแต่คนอื่นๆกลับมองไม่เห็นวิญญาณตนนั้นในตอนนั้นเองน้ําฝนน้องไอแม็กก็บอกกับผมว่า เห็นมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินหยุดตรงที่เขาสร้างศาลาให้พักซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเจดีเท่าไรนักแล้วนําฝนก็เดินไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อผมมองตามไปก็ดูปกติดีแต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกับเราพอใกล้ ค, คาเข้ามาอีกนิดพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่จึงบอกกับพวกเราว่าจะขอกลับก่อน แล้วบอกว่าพักแรมกันให้สนุกนะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกเป็นแสงสีทองสวยมากๆณเวลานั้นต่างคนก็ต่างเก็บภาพกันใหญ่ผมก็ถ่ายของผมไปแล้วหันไปมองที่น้ำฝนก็พบว่าน้ำฝนกำลังนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นแต่ที่ทำให้ผมเกือบจะตั้งสติไม่ได้คือพี่ชายผมไอ้โท มันร้องทักน้ำฝนว่าเอาฝนมานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวเจ้าหน้าที่คนนั้นก็หันมามองตาเขม่งเหมือนจะโกรธพี่ชายผมมากแล้วเธอคนนั้นก็หายไปพอน้ำฝนหันกลับไปก็ไม่เจอเจ้าหน้าที่คนนั้นเธอรู้แล้วว่าที่นั่งคุยด้วยอยู่ตั้งนานสองนานนั้นไม่ใช่คน หลังจากนั้นเราก็เริ่มก่อไฟปิ้งย่างอะไรากินพร้อมกับดื่มไปตามปกติด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จึงทำให้บางคนหลับไปก่อนแต่คนที่ยังไม่หลับก็จะมีผมพี่เจนพี่โทน้องน้ำฝนและแม็กตอนนั้นเองก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านจุดที่เรากางเต็นท์พักแรมอยู่ด้วยความที่ผมเห็นผีจนชิน จึงไม่คิดอะไรมากเลยว่าจะนอนพักสักหน่อยแต่ไอ้แม็กกับพี่โฮกลับมองเห็นกันเต็มๆแล้วพระธุดงค์รูปนั้นก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนเท่ากับยอดเจดีด้วยความที่มันเป็นผู้ชายและอยู่กับผมจึงไม่แสดงอาการอะไรมากแต่คนที่น่าเป็นห่วงคือพี่เจนพี่เจนตัวแข็งทือ่อทาอะไรไม่ถูก ได้แต่พูดเบาๆและสั่นบอกว่าผีผีผีพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนผมได้เอาพระไปใส่ให้พี่เจนจึงได้สติ ก, กลับมานิดหน่อยแต่เธอก็ยังคงชอบกับสิ่งที่เห็นอยู่อย่างน้อยพวกเราก็โล่งใจเพราะคิดว่าน้องน้ำฝนไม่เห็นจึงบอกให้น้ำฝนพาพี่เจนไปนอนแล้วนอนเป็นเพื่อนพี่เจนด้วย แต่ปรากฏว่าจูจๆน้ำฝนก็ตัวสัน่นทำตาขวางใส่พวกเราแล้วบอกกับผมว่ามึงก็เห็นกูอยู่แล้วพวกมึงจะมาทับที่กูทำไมพอผมได้ฟังก็หันไปมองดูเต็นท์ของพวกผู้หญิงก็เห็นว่ามีวิญญาณอยู่รอบๆเต็นท์และนั่งอยู่บนเต็นท์ด้วยรวมๆแล้วประมาณสี่ห้าตนได้ ผมจึงรีบทำพิธีขอขอมาลาโทษแล้วย้ายเต็นนั้นมากางตรงหน้าเต็นของพวกเราส่วนพี่โทก็มาช่วยผมย้ายเต็นเพราะพี่ผมก็รู้ว่าผมพอจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างพี่โถจึงเชื่อผมไอแม็กก็ดูน้องอยู่ผมเลยไม่อยากกวนคนที่หลับไปก่อนก็ตื่นขึ้นมาไม่รู้เรื่องราวอะไร ออกมามองซ้ายมองขวาแบบงงๆแต่ก็พูดขึ้นมาพร้อมๆกันเลยว่าผีหลอกผมเองที่เห็นผีเป็นประจำยังตกใจไปด้วยเลยเพอมองดู ร, บรอบๆก็เห็นมีแต่ผีทั้งนั้นรวมทั้งผีเจ้าหน้าที่หญิงคนที่น้ำฝนไปคุยด้วยในตอนนั้นเองก็มีวิญญาณตนหนึ่งเดินเข้ามาด้านข้างเข้ามาหาผม แล้วกระซิบที่ข้างหูผมว่าจะกินอะไรทำอะไรก็ไม่แบ่งไม่เคารพแบบนี้จะอยู่ไม่เป็นสุขนะผมรับรู้และเข้าใจได้ทันทีจึงทำการขอข้ามาอีกครั้งแล้วบอกว่าจะทำบุญไปให้กับบิญญาณทุกๆตนจากนั้นก็นำขนมที่เราเก็บไว้ซึ่งยังไม่ได้แกะออกจากแพก็ นำมาแก่ออกอย่างละสองแล้วนำไปเซนวายไม่นานอาการของพี่เจนและน้ำผลก็กลับมาเป็นปกติคืนนั้นพวกเราก็นอนหลับไปโดยที่ไม่มีอะไรมารบวรกวนอีวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ได้นิมนต์พระที่อาศัยอยู่ตามถ้ำของภูลังกาให้ท่านขึ้นไปสวดมนต์ทำบุญตักบาตร และส่งวิญญาณในเช้าวันนั้นเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาที่พวกเราคิดจะไปพักแรมที่ไหนก็จะไม่ลืมที่จะเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางกันก่อนทุกครั้ง ส, สัมัสสยอง